เป็นงไงบ้างวันนี้ได้ลองพิจารณาตัวเองดูสิอย่างเช่นเวลาเราออกไปบินธบาทหรือว่าเวลาเราพิจารณาอาหารหรือตอนที่เราทานอาหารเป็นไงมันมีสติบ้างน้อยขนาดไหนมันต่างจากการปฏิบัติคนเดียวหรือว่ายังในรูปแบบไหม เราไปบินเทบาทชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงมนรู้สึกว่ามันไม่นานขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดถว่าให้เราเดินกตองกลมอย่ทางตงกลมสองชั่วโมงมันก็คงแบบว่ามีข้อแก้ตัวว่าอยเมื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยสงสัย่้าทำไมเราเดินยาวแบงนั้นได้โดยที่เราไม่เบื่ออะไรอยาเงยแล้วดูไม่ทำไมไม่เบื่อคิดพวกคงมีแอปชั่หลายอย่างที่มันดึงความสนใจเราออกไปเช่นอุ๊ยเขาจะใส่บาทแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวรับพรอย่างไรเงี้ยค่ะ แล้วคือมันไม่ได้ถูกบังคับให้อยู่กับตัวเองเยอะมากเหมือนเวลาเราเดินจงกลมอยู่ในทางจงกลมนอกจากแอคชั่นไม่ถึงไม่รือวาาา่ า, าวมันมีหลายๆท่าทางอะไรแล้วมีอะไรอีกไหมมีสิ่งที่เราไม่คาดหวังอัพ ก, ก บ, า บ, าบา้านๆเขาว่าใส่ซ้ำ ทุกวันอยู่แล้วแต่บางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าบ้านนี้ก็จะใส่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรูดงอไ่า้มีความคิดเข้าไปใช่่เอเป็นความสนุกหรือเปล่าหรือว่าก็นิดนึงอะค่ะเาเวลาเดินมันก็วิวก็ไม่เหมือนเดิมเดินตรงกลวิวมันเหมือนเดิมแล้วรู้สึกพอไปเห็น พอเห็นสิ่งที่มันแตกต่างจากการเดินจงกรมแล้วเป็น่างใจจริงะมันมี่วที่มันเป็นตอนเช้าด้วยอะเป็นากตอนเช้านี้ก็มันก็สดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เออมันก็สดชื่นกว่าตอเราอยู่คนเดียว คนอื่นยป็นไงบ้างม่คดีบินทะปัดคดีย oh, ิงกระบอกมันก็อย่างที่อาจารย์หญินพูดอาคะใส่วนอย่างมากที่คือเราได้พบได้เห็นอะไรนี่แต่ว่าจิตมันได้เปลี่ยนได้เปลี่ย น, ยนอารมณ์อยู่ตลอดเวลาคือคือมันมีศาสตร์เข้ามาตาหงจมูกอะไรเนี่ยค่ะแต่หลักทางเนี่ยพอเพีแต่ ว, ว่าเราต้องรู้เท่าทันทว่าเออตอนนี้เราเรา เรารู้ตัวไหมเราหลงไหมเรามองเห็นต้นไม้ข้างทางเราไหลไปกับมันไม้อะไรอย่าเงี้ยค่ะก็คือว่าคอยสังเกตตัวเองแล้วก็กลับมารู้แล้วก็ตอนเดินตอนก้าวเรารู้ตัวไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็อย่างที่อาจารย์บอกเออสองชั่วโมงเราก็เดินได้แบบสบายๆแต่ว่าถ้าเดินตรงกลมอยู่ในลูกสองชั่วโมงมันก็นานมากแต่ละห้านาทีสิบนาทีกว่าจะผ่านไปมันก็แบบโคนราเหลือเกิน คือเพราะว่าเรามีเวลาอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับตัวเองคนเดียวไม่มีสิ่งอื่นเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเบื่อมือนกับว่าจิตจิตมันเบื่อมันไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำๆที่มันอะไรอย่างเดียวยอืม <c oughs> <c oughs> อก็เห็นนะเห็นจิตมันไม่เหมือนกันนะอ่ะที่สองคนว่าไ มันทําให้รู้สึกตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับพอรู้อย่านะั้ออนแล้วก็วเออพอเจ็บเราก็ตอนแรกก็แบบติดว่าเออมันเจ็บนะอะไรเงี้ยแต่พอต้าหลังก็เหมือนก็รู้สึกา ว, ว่าเออมันเจ็บมันก็แค่เจ็บอย่างเงี้ยมันก็แค่ายายนีตอนตอนรองเท้ากัดกับตอนเหยียบหินถอดรองเท้าเดินอันไหนมันเจ็บเท่ากัน ร, รู้สึกว่ามันรู้สึกตัวชัดขึ้นก็เดินใส่รองเท้า S <S <an> <S ววเพราะเวลาเดินตรงพรมเองเน่ยก็คือจะมีเส็ิบ้างก็มีสติบ้านแต่ว่าเวลาออกไปข้างบบาอานอกเนี่ยคือทั้งเมื่อยทั้งหิวมันก็มันจะทําให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองนะที่เราทรมานหิวเนี่ยหรือเมื่ อ, อยแล้วเราดูลงหายใจหรืออยู่กับการก้าวเท้าไปเนี่ยพอพักๆลันก็ก ความความทรมานมั น, นน้อยลงแล้วมันก็จะเริ่มมีแต่ความหิวแต่นี่มีคู่ครัวที่มันเห็นเยค่ะว่าว่ามันไม่มีคู่ครัวมันมีแต่มีแต่ความหอวมีแต่ความแล้วมันก็คือทุกอย่างมันจะค่อยช้าเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราดูลมหายใจได้ได้นากขึ้น แล้วก็เวลาที่ถ้าเกิดว่าเดินไปบางทีเรเพลินจะ่ธรรมชาติมากมานนาเกินไปเราก็จะรู้ว่าเราหลงไปละหรือว่าจังหวะที่มีคนมาใส่ตาตรบางทีสิตเราก็จะโน้มไปอนันิเมอพนาบูนกับเขาเนี่ยล้วก็ก็ก็มีก็ต้องพยายามกลับมามีสําอยู่กับตัวเองค่ะก็แล้วก็คือเปรียบเทียบกับเมื่อวานเนี้ยเรารู้สึกเมื่อวา น, น, แบบนามันก็แบบเอ๊ะทํามเดินไปตั้งนานไม่เห็นมีใครใส่บาตรเลย ที่หนุ่มเขาจะเดินไปถึงไหนดีงั้นมันก็คงปรุต่งตไปเรื่อยด้วะคะ่ะแต่พอนเนี้ยเขาถูอว่วาพอเราลูกราวว่ามันต้องเดินไปสุดก่อนถึงมัมีคนใส่เนี้ยคือความคาดหวังหรือความสรุงแต่มันก็จะลดจะลดไปเ ล, ลแล้วเราก็จะรู้ว่าโอเคยังไเราก็ต้องเดินสองชั่วโมงแน่นอนมั น, น, มนมมจะไม่มีการจะไม่มีการคาดหวังว่าก็ต้องเดินอีกนานเท่าไหร่มันก็คือจะอยู่แต่แต่กับก้าวเดินที่ก้าวปลายเท่านั้นก็คือต้องเดินความคิดมันก็คือจะหน่อยเ ต่างจากวันแรกที่ไม่รู้ก็เลยคิดมากหน่อยนี่จะเดินไปถึงไม่เห็นมีคนใส่เลยจะเดินไปทำไมเรจะมีคำถามตลอดเวลาเลนะดีนะแล้วเรื่องเรื่องการขบคันฉานเป็นไงอาหารมาอยู่ป่านะแต่อาหารดีไม่กี่ทำดีเป็น ถูกปาถูกใจนะมมันมีเวลาให้เราลงเวลาทงาน่อแทบอย่างเราไม่ไดเหนอยเลรู้สึกว่าเราอยู่ตัวเองน่าชื่นในส่วนอื่นยังไงพิจารณาอาหารยังไงบ้าง สากที่ที่วันพูดเรื่องอาหารแล้วก็จากบทที่ท่านนุ้ให้สวดมันจะมีหลายอันที่ที่พูดเรื่องอความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคก็เลยคิดว่าเออวันนี้จะลองดูจะแอกว่าจะกินประมาณ80อนะไรเงี้ยก็คือ ก, ก, ก็คิดว่ามันเวริร์คไม่แน่ใจเป็นเพราวันนี้เริ่มชินหรือว่าการลดอาหารของเราเวิรคก็คือมันไม่ค่อยง่วงก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างน้อยก็ก็ดีอะค่ะ แต่เวลากินก็เฉยๆค่ะก็อยู่กุงเทพก็กินลักษณะนี้กินส่วนเนี่ยก็จะพยายามหาเวลากินคนเดียอหรือล้วมันก็เลยไม่ได้ตัดเห็นเห็นโอคไงรู้สึกว่าดูตังน้อยแล้วนะว่าคนทิ้เข้าไปผมก็รับยังอิ่มรับอิ่มมา หมามากวนรู้สึกเป็นยังไงเวลาหมามาข อ, อกินด้วยรู้สึบบกยังไ็ตอนหมามาขออยู่ก็าเรารับผลไม้ไลามาแล้วว่าไมุ่ดได้ยังไงก็ขอยมันนี่ยังวันทานอาหารเป็นแบบไหน าาฉันอกว่ า, ยายยวยยยวอาย า, นอยานน ง, งนี้นะฉับว่าขาด้วยในคํามอยกมากเพราะว่านี้ยขาดเดือดเลยก็เลยลกตัดไปอย่างพ่ราชาก็ก็จะไม่ได้ของะไรมากเพนผลของอันนั้นเขาก็เลยอาจไปทาให้มันพ้นออกมาได้ไนะ่วันนี้ก็เลยเอาหน่ต้งหน่ก็คือตักให้น้อยหน่อยแล้วก็แล้วก็วกินก็จะกินแบบ อย่างสติพยายามที่จะสาหนุขสงบที่เขียวหแล้วก็ให้พอดีสึอไม่ถึงระอีกเลยนคะให้แค่พออยู่ได้ก็ก็ดีมากเลยวันนี้รู้สึกตัวเบาทำงาได้ดีฟัวางนี่ตัเนี้มาเออยกยัไม่แน e e, ่แต่าเป็นที่อาหารหรือเป็นที่กินอาหารน้อยหรือว่าเป็นที่ การสงบสติเวลาที่เราเคี้ยวอาหารหรือว่าทางสองอย่างนี้ก็คุ น, น่าจะก็ น, น่าจะสมพัญทั้งหมดตั้งแต่ตอนที่เราตั้งใจว่าเราจะพอเรารู้ทันว่าเมื่อวานเราทานอาจจะมีความยากในการในการเลือกในการทานแล้วก็สรุปบทเรียนได้ว่ามันอิ่มเกินไปมันทำให้ง่วงหรือว่ามันหนัก วันนี้เราก็เลยตั้งใจตั้งแต่ก่อนก่อนตักแล้วก็ตั้งใจในขณะที่ทานแล้วก็ไม่ทานไม่มากเกินไปมันก็มาว่ามันก็สัมผัสตั้งแต่พอเราสรุปบทเรียนังแต่เมื่อวานแล้วก็มาลองทําในวันนี้ใหม่มันก็ได้เรียนรู้ใหม่ว่าเอออันนี้มันน่าจะดีกว่าเนะี่ยอ่ะโยม ช, ชื่ออะไรเ น, ะนาะนา อาหารก็ของในชีวิตเ้าว่าอุดมสมบูรณ์มาก <c oughs> มีหลากหลายหลายอย่างแล้วก็แบบน่าทานทํางา น, นเลยคนะ่ะก <c oughs> ็คือต้องเจริญสติตั้งแต่ตอนที่แบบสั่อาหารเลยดูแล้วว่าเออจะเอาอะไรบ้างแล้วก็เอาแต่พอดีที่เราสั่งมาแล้วเราก็จะทําได้หมดนะคะไม่เหลือทิ้งข้างแล้วก็ส่วนตอนทานตอนเคี่ยวอะไรก็บางครั้งก็ก็ก็รู้ก็มีก็ก็อยู่แบบ การเคี้ยวได้แต่กางทีก็เคี้ยวไปก็คิดไปคิดเรื่องอื่นเลยลับมาก็พอพอเมพอรู้สึกตัวก็กลับมาอยู่กับการทานก็สลับกันไปอย่างนี้ค่ะก็กันก็ฉันต้องพยายามปฏิบัติเยอะรกชาวิอะไรก็ก็จะถูกใจทุกย่างก็ย่ามีความชอบใจพอทานทางไปอืมน้่ก็ดีนี่ก็ดีอะไรค่ะ ไม่คี่ว่าเขาคืนเจ้ามีอะไรแล้เปลี่ยนนะประเด็นเรื่องการบินทปาตหรือว่าเรื่องการาันอาหารนี่คือยิ่งงกับการคือ่องโยกับไปในสมบัตินะคือโองเห็นว่าเพราะว่าเหนื่ออย่างที่ใจ ได้นหนีจากทางตรงโคงมันได้หนีจากการช้างจังหวะ <ừ. S 2> น้องก็ได้ออกรรกังาได้เห็นวูว ส, สวยๆน้องก็รู้หลังโยมอยากตานัเลยเื่อนๆตายโยม่อยากตายแตยมก็ก็ต้องคิดว่าเราอย่างียังไม่แก่ะขอเ็อรู้ว่าไปน่าจะต้องรับอะไรเข้ามาเยอะๆแล้วเดี๋ยวท้งันจะโดนนีแต่ว่า แต่าี่เพื่อนพูดนางพูก็ก็มีส่วนว่าจริงๆเราการออกไปมันก็เหมือนกับเป็นสนามที่จะให้เราทดลองว่าเราเนี่ยพูนาได้ได้ดีแท่ไหนแล้วกระถกผับศต่างๆเนี่ยแล้วแลมันทําให้อารมณ์เกิดขึ้นมากหมอยแค่ไหนก็เลยแง่ใจสริแล้วเนี่ยมันควรจะทํำยังไงนะคะมันก็คง คงไม่มีอะไรตายตัวคือแต่ก็ดีนะที่ที่เราอย่างนั้นก็ดูว่ามันยังมีความอยากแต่เราก็อาจจะมีความกลัวอยู่ตรงนั้นไปด้วยกลัวมันก็มีทั้งความอยากแล้วก็ความกลัวถ้าเราเราเห็นจิตตัวเองเป็นแบบนั้นจริงๆอันนี้มันก็ดีในแง่นี้แต่ที่จริงมันก็ไปบินก็ได้ไม่บินก็ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าบินแล้วก็ต้องก็ต้องภาวนาในขณะที่บินไปด้วยหรือว่าถ้า เราอยู่ที่นี่เราก็ยังแม่ชีเขาทําอาหารหรือว่าเราจะภาวนาอย่างเดียวแรือเราทํากิจอย่างอื่นถ้าเรามีสติมันก็ก็ได้เช่นกันแต่มาว่าเจตนาที่พระพุทธเจ้าท่านกําหนดให้พระเราบินฑบาทเป็นกิจวัตรประจําวันนอกจากการการอนุเคราะห์ญาติโยมในการทําบุญหรือว่าให้ทำมะแล้วมาว่าที่จริงก็เป็นการทดสอบตัวเองในแต่ละวันนั่นแหละ พระก็ไปเจอเจออาหารเจอผู้คนก็ดูใจตัวเองขนะที่ที่ออกไปสัมพันธ์กับกับโลกนะเพราะจริงมาแต่ก่อนพระก็คงอยู่ป่าแบบนี้เป็นหลักก็วันๆก็ไม่ค่อยได้เจอใครก็ลองดูว่าวันนี้เราเพราวนาก้าวหน้าไหมเพราะตอนเช้าไปเจออลมกระทบมันแหละจะได้ดูว่าตัวเองมีพัฒนาการหรือไม่หรือบางทีไอ้ตรงนั้นก็เป็นโจทย์ให้ ให้ได้ให้ไดออ้รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนตรงไหนนั่นมันก็จะได้พัฒนาตัวเองหรือบางคนอาจจะไปตอนนั้นแล้วอาจจะรู้สึกว่ามีความมั่นคงในในเพศนะักบวชมากขึ้นนะจะดีไปเห็นชีวิตชาวบ้านแนละ้วมันวุ่นวายเหือเินมันลาบากเหลือเกิ น, น, กกนหรือว่าอะไรต่างๆก็เหตุรู้สึกมั่นคงในในการบวชมากขึ้นมาว่าก็เขเป็น กุศโลบายที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ p h a s o n หรือหลีกนี้หลีกหนีจากสังคมหรือว่าปีกตัวเองมาอยู่ป่าคนเดียวเพราะว่าพอไปเจออารมณ์กระทบก็จะได้รู้ว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนอนะมันก็สามารถทําได้ไม่ต้องกลัว <c oughs> ทําได้แล้วก็ดูดูไปแต่แน่นอนแหละมันมันเจอสิ่งกระทบหรือว่ามันเจอ สัมผัสต่างๆเยอะนะโอกาสที่มันจะทำให้จิตเราไหลหรือว่าลงไปมันก็มากแต่นั้นก็เป็นเหมือนสนามทดสอบดูอยหมาว่ า, าก็กนาังพอดีนะถ้าถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในวัดมีช่วงเวลาที่อยู่กับตนเองต่อเนื่องมีช่วงเวลาที่ที่เกี่ยวข้องกับกับคนอื่นหรือว่าได้เจอสิ่งอื่นบ้างก็เป็นการทดสอบดูแต่การที่ บางครั้งเราขอโอกาสในการเก็บตัวอยู่คนเดียวนานๆก็ก็อาจจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เจอนะมันก็อาจจะทําให้อย่างหนึง่งเราได้พัฒนาสติมาต่อเนื่องขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะทําให้เราเห็นเห็นอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างที่ที่เราไม่ค่อยได้เจอเนชะ่นความเบื่อนะแต่ก่อนถ้าเราอยู่ในทางโลกเราก็ไม่ค่อยทนกับความเบื่อเบื่ออันนี้ก็ไปทาอีกอย่างหนึ่งเลยนะ ความเหงาบางทีอยู่คนเดียวเนะี่ยมันเหงามันอยากคุยหรือบางทีก็เหงาอยากทํางานนะบางทีก็เหงาแล้วก็แค่ออกจากที่เตือนยงกลมก็หายเงาแล้วลวันนี้ก็มันก็จะเห็นความเบื่อบ้างความเหงาบ้างหรือบางทีอาจจะเห็นความกลัวบางอย่างในจิตใจของเราเวลาเราเราอยู่คนเดียวเนะี่ยมันก็ก็เป็นโอกาสที่ดีอันมาว่าก็ ไอพวกนี้มันก็ลองทำสลับกันดูบ้างก็จะได้ทำให้เราเห็นเห็นมุมมุมของกิเลส ท, ที่มันซ่อนอยู่ในใจของตัวเองได้ได้หลายๆแบบดีห ล, หลายมุมดีก็ลองเรียนรู้ดูมีคำถามค่ะอย่างอิงสูตว่าเวลาเราเดินทรงกลงมหล้วลมพัดมาแล้วชูอ้อมชอบทาําะไรแบบเดียวกับอีกต่อ เราก็รู้ว่ามันเป็นลมนเราควบคุมมัไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือมันอยากมาเมื่อไหร่ก็มาอย่างนี้มีคาถามคือว่อาสมมติว่าเราคือตามความเข้าใจเหอนกันคือเราไม่ควรอินกับอารมณ์ทีนี้หมายถึงว่าการไม่อินกับอารมณ์มันเป็นสิ่งเดียวกับการที่เราจะไม่เอ็นจอยในสิ่งต่างต่างใช่ไหมก็เราสามารถสัมผัสกับความความสดชื่นตรงนั้นก็สัมผัสได้แต่เพ <c oughs> ียงแต่ว่าวก็เราก็มี ปัญญาดูทันว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนาะก็ก็เราก็สามารถมีความสุขได้กับกับลมที่สัมผัสกับความนุ่มลื่นหรือว่ากับธรรมชาติที่สวยงามก็สัมผัสได้แต่คนทั่วไปส่วนใหญ่พอสัมผัสแล้วก็อย่างหนึ่งตใจอย่างที่สองก็คือมีความคาดหวังอยากจะให้มันเกิดบ่อยๆหรือว่าอยากให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะอันนี้คือสิ่งที่ที่คนทั่วไป สัมพันธ์กับธรรมชาติไม่ถูกนี่เงี้ยนะแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็สัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละแต่จริงๆว่าเราแค่รู้เท่าทันว่าสิ่งต่างๆคนนี้มันก็มันมีเหตุมีปัจจัยของมันแล้วเราก็บังคับไม่ได้อันนี้ก็ขเขาใช่ยอมรับมันแค่นั่นแหละอย่าอาหารอร่อยก็รู้ว่าอร่อยได้เป็นแต่าข้าวของมันจะต้องอร่อยทุกครั้งอย่างเงี้ยก็ก็คือเราสัมผัสไปแล้วรู้สึกว่าอร่อยก็ใช่ใช่ไหมแต่บางที บางทีความทุกขมเกิดจากอะไรเช่นเราคิดว่าไอ้นี้อร่อยแต่พอกินไปแล้วมันไม่อร่อยเราทุกข์ใช่ไหมี๋ยวเราเคยกินอันนี้มันมันเคยอร่อยมากทําไมกินแล้วกินวันนี้แล้วมันมันไม่อร่อยเหมือนที่เราเคยกินเราบางทีเราทุกตรงนี้เราไปคาดหวังว่าเราไปกินนั้นที่มันดูดูแพงๆแล้วมันต้องอร่อยสิแต่มันไม่อร่อยเราก็รู้สึกมันไม่ดีเยจริงเพราะเราคาดหวังมันเอง เราไปมีกินตนาการของมันเองใช่ไหมหรือเราไปหรือเราคาดหวังเองว่าด้านนี้มันธรรมดานีม่มีชื่อเสียง ม, มันคงก็กินไปพอประทางังแต่พอกินไปมากอร่อยก็มีคือเราดูความไม่ไม่เที่ยงที่เกิดในใจของเรานั่นแหละบางทีเราทุกข์หรือว่าเราวางใจไว้ผิดนั่นแหละมันทําให้เราเกิดความทุกข์ใจใช่ไหมเราก็ดูแต่เราถ้าเรากินด้วยความวางใจเป็นกลางกับทุกอย่าง แต่เราก็สัมผัสกับรสชาติที่มันเป็นจริงได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดปฏิเสธหรอกนะแต่เพียงว่าต้องรู้ทันด้วยว่าเราเผลอไปติดใจในรสชาติแล้วก็มีการมีการปรงแต่งต่อในรสชาตินั้นหรือไม่หรือว่ามีความอยากในการคังต่อไปหรือไม่นะเราก็ดูนะ <c oughs> อ่า เมื่อแล้มันเป็นอารมณ์เดียวคือนิ่งกันอยเราคเปลี่ยนเวลาบทอันนี้เดินในที่เราปฏิบัติคนเดียวหรือือคือบางครั้งเนียเดินไปรงพอเราก้าเ้าสเราู้งตมันก็กะดมันมันก็เหมือนกับเราอะไรที่เล่นอ่าแต่พอเลาเดินในที่มนุ่ันนนิ่งเยแล้วก็ช่วงจังหวะเดิมมันเล่จังหวะเดิพักๆอเียเหมือนมันนิ่ง เริ่มเริเราควรจะเปลี่ยนวิยาบทนยยะคะหรือว่าเดิน่อไปเ่อยๆมันเราไม่ได้ไปประคองไม่ได้มันเป็นของมันเองเนาะนถ้าเป็นของมันเองก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าเราสังเกตว่ามันเราเราประคองมันหรือว่าเราค่มมันถ้าแบบนั้นอาจจะต้องจะต้องอะไรนะต้องอเปลี่ยนวิยาบทบ้างหรือว่า เริ่มใหม่บ้างก็ดีไม่เป็นไรบางครั้งจิตมันก็นิ่งๆแล้วก็มันไม่คิดมันก็รู้ตัวได้เรื่อยๆบางครั้งก็เป็นเช่นนั้นถ้าเราสังเกตว่ามันไม่ใช่พความสะพองเดยอมันก็ก็ดูดูกายไป้รื่ยของมันดูแต่ก็เอามา่ามันก็ไม่ได้นิ่งตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยน มืมันมันหายม้อมนก็เริ่มงมันนี่งติดตัณฑ์ไม่ลงเดินแล้วมันเหมือนมันช้าลงเดนเลยอหมันตื่นตื่นประคองไปพอ้ตัวก็หยุดประคองแล้วมันกนียนอยู่เป็นชั่งนียนเป็ื่นไม่มีอะไรให้ดูเลยแล้วเราควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัณฑ์ไหมหรือหยุดไปสักงังัณฑ์อะไรก็ดูไกลที่มันเคลื่อนนั่นแหละมันทั้งจิตมันก็พลิกไป อเป็นความสงบมันก็มันก็ไม่คิดก็ทำธรรมชาติของมันแต่ที่จริงอาการพวกนี้มันก็ไม่ได้ตลอดเวลาหรอกเนาะไม่ต้องกังวลบางทีความสงสัยบางทีความคิดมาในแง่ของไม่สงสัยเราทําถูกหรือเปล่าอะไรแบบนะั้นมันก็จะมาอย น, นี้เราเราก็ต้องรู้ทันที่จริงถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ตัวแบบปกติธรรมดาอยู่ไม่ไปคลองก็โอเคมันไม่คิดก็ไม่คิดก็ดูกายนั่นแหละแต่ถ้า บางครั้งรักสติเราดีนะบางทีมันก็จะแค่บางทีมันก็จะเห็นความหลงที่มันละเอียดขึ้นเช่นที่จริงแม้แต่ตาเราไปเผลอดูอะไรสติก็รู้ทางละมันไปดูนะแต่มันยังไม่ทันจะปรุงต่อเราก็รู้ว่ามันแว บ, บไปดูละหรือได้ยินเสียงเกิดขึ้นได้ยินแล้วมันรู้สึกเฉยๆแล้วก็สามารถรู้ได้หรือได้ยินแล้วมัน ปรุงต่อแบบไหนเราก็รู้ต่อได้บางทีไอ้คนเนี้ยบางทีนอกมันก็สามารถทําได้ทั้งเราเรู้ในอิยาบทที่เราทําเป็นหลักหรือบางครั้งจิตมันละเอียดขึ้นมันก็เห็นเห็นกายที่มันละเอียดขึ้นหรือสติมันมากขึ้นมันก็จะเห็นการหลงที่มันละเอียดขึ้นทางอายตนะต่างๆมันหลงไปนิดนึงเราก็จะเห็นได้เร็วเราก็ดูตอนเนี้ยมันก็จะมีงานเนี้ยดูไม่ต้องไปสงสัยว่า ทำผิดไหมอนะไรนัก็ดูไปเรื่อยๆบางครั้งความอ่าตัวหลักมันก็เด่นบางครั้งก็จะเห็นตัวละเอียดขึ้นก็แล้วแต่มันเราบังคับไม่ได้ก็ดูไปนะแต่มันก็มีมันก็มีเหตุปัจจัยของของมันอยู่เนาะก็โยมก็สังเกตแล้วเออถ้าเราผ่านทางง่วงได้ตึวเนี่ก็เป็นแบบนั้นทางง่วงมากๆพอผ่านได้คราวนี้มันรู้ตัวได้ดีเป็นธรรมชาติที่ทุกคนตึวนยจะได้เออใช่มันชัดมากมัน ที่จริงมันก็เป็นเป็นผลกำไรตอนที่เราอุตส่าห์ผ่านความง่วงได้นั่นแหละมันก็เป็นผลตอบแทนให้เราได้ได้ได้สัมผัสไม่จีหรือว่าฟัมีอะไรงไั้างน ยินงขบารู้สึกว่าใช้ความอดท น, นะคันติคือมันเจ็บเท้าครับแต่ว่ามันเห็นมันก็เห็นนะครับว่าความเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่เท้าแต่มันจะมีความขุ่นอีกตัวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นบริเวณข้างบนตรงแถวหนะา อ, อกที่ไม่ชอบไม่ชอบความรู้สึกเจ็บอันนั้ น, นครับอืมแล้วก็ มันมีความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คิดต่อว่าแบบจะทํำยังไงดีไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้รู้สึกอย่างนั้นเปลี่ยนทางบ้างหรือว่ามันบางครั้งก็ซ้ำเติมก็เจ็บจริงๆเลยเจ็บเจ็บแล้วพอคิดยิ่งเจ็บมันก็ความเจ็บมันก็รู้สึกจะมากขึ้นนะครับทีนี้พอมันก็รู้ได้เป็นบางครั้งมีความรู้สึกตัวมันก็ก็สัมผัสถึงความเจ็บแล้ว ก, แวก็แล้วก็ความคิด แล้วมันก็หายไปแล้วมันก็มาใหม่มาใหม่ไหมแล้วมันก็รู้เลยว่าแบบมันมีบางจังหวัดที่ความคิดที่อยากจะหนีหรือไม่อยากจะเจ็จมันก็เกิดขึ้นมาอะไรอย่างนี้ยก็ตอนบินถ่ายก็ได้เห็นอย่างนั้นส่วนวันนี้ทั้งวันเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบเลยแต่ว่าก็ยัง ร, รู้สึกว่า รู้อยู่แต่ว่ามันรู้แบบไม่ได้ชัดอะไรแต่ว่ารู้เหมือนไม่รู้นะครับรู้เหมือนไม่รู้ <ส Wong. S 1> ก็คือแบบมันมันเป็นความมันไม่ได้ชัดเหมือนตอนที่อยู่ในรูปแบบแต่ว่ามันมันก็มันเบาๆแล้วมันไม่ได้เผลอแต่ว่ารู้ว่ากําลังอยู่กับสิ่งที่ทําอยู่อะไรเงี้ยอืมก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรมันก็อาจจะ มันไม่ชัดเหมือนเหมือนเราเดินจงกรมหรือเรายกมือนะมันเพราะที่จริงจังหวะพวกนั้นมันก็มีจังหวะที่มันบางทีมันไม่เหมือนชีวิตประจำวันจริงนะักเต้นเรายกมือก็มีจังหวะหยุดแย่านีน้มีจังหวะเต้นจังหวะหยุดหรือแม้แต่เดินก็ดีมันก็มีจังหวะกับตัวหรือว่าเราถอดรองเท้าเดินมันก็ได้สัมผัสกับพื้นที่มันชัดขึ้น ถ้าเราใส่ังทามมันก็รู้สึกไม่ค่อยชัดแต่เราถ้าเรารู้ที่จริงก็รู้ตัวแบบรวมๆนั่นแหละก็ก็ได้ครับแล้วก็แล้วก็รู้ทันเวลาใจมันเผลอเวาไปคิดเรื่องอื่นเลยนะ ม, มีอารมณ์เกิดขึ้นในใจเราก็รู้ทันอันนี้ก็จะเป็นการภาวนาในชีวิตประจําวันที่ที่ก็ทําทได้นะแต่บางทีถ้าเราไม่ไม่ดูตัวเองมันก็มันก็จะเผลอไปกับความคิดหรือว่า เผอไปกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ง่ายที่จริงมันก็ความคิดมันก็สามารถไม่เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวก็ได้ใช่ไไปปรุงแต่งเรื่องอดีตไปปรุงแต่งเรื่องอนาคตเนี่ยมันบางทีไม่บางทีอาจจะมีเหตุปัจจัยนิดนึงมาสกิดแล้วก็ไปต่อนะแต่บางทีเราก็ฟุ้งไปในสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้สัมผัสในปัจจุบันก็ก็มีทั้งสองลักษณะ รู้สึกว่าพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันสังเกตตัวเองว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นกว่าตอนที่ทําในรูปแบบเยอะเหมือนกันคนระคือความตั้งใจหรือว่าความพยายามที่จะเพ่งหรือเข้าไปรู้นี่มันมันน้อยกว่าการทําในรูปแบบเยอะมันเลยรู้สึกสบายสบา ย, บายโลง่โลงๆเราจะรู้สึกเบาขึ้นไหมเวลาขึ้นทางเดินจมกรมรู้สึกจิตมันเบาขึ้นกว่าแต่ก่อนครัก็ รู้นะครับรู้สึกใด้บ่าเบาวกว่าแต่ก่อนที่ว่าแต่ก่อนอขึ้นทางจงกรมแล้วก็มีความอยากมีความเครียดขึ้นมา ม, น ม, น ม, มันไม่ได้เห็นเป็นเหมือนเป็นความชัดเจนขนาดเดิมจะเป็นบางสภาวะบางครั้งมากกว่าทีทม่มันจะเห็นถึงความสบายๆบายนะ <c oughs> คือความถี่ความถี่มันอาจจะน้อยลงไปถึงความถี่ในการที่เราซีเรียสหรือว่าเครียดตั้งใจมากนี่ <c oughs> แล้วสบายขึ้นนะแล้วก็เป็นเป็นตัวให้เราสังเกตโดยตัวเองเนอะเวลาเวลาที่เราภาวนานอกรูปแบบหรือว่าเราใช้ในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันจริงๆเช่นเราเจอผู้คนเช่นออกไปบินทบาทีนะ่ยเจออารมณ์กระทบหรือว่าเราตอนดอดฉันอาหารานี่านี้เราก็ ก็สังเกตดูนะมันก็เป็นบททดสอบในการภาวนาขดลองจริงๆนี่แหละนะถ้าเราถ้าเราแบบมีสติได้มันก็จะทำให้มันก็ไม่หลงไปไกลหรอกก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นเป็นการทดสอบดูว่าสติเราตั้งมั่นไหมนะก็ดูไปมาว่าก็ก็ดีเหมือนกันนะเราก็มีเวลาในการภาวนานในรูปแบบอยู่ก็เป็นตัวทำให้มันมีสมดุลของมันอยู่ นะมันก็ต้องอาศัยแบบนี้นะบางทนะีภาวนาทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบมันก็มันก็สามารถเกือ้อกูลกันได้จริงอย่างที่พระเจ้าท่านท่านเคยบอกว่าเรื่องเรื่องอิริยาบถให้มันสมดุลเนานะยืนเดินนั่งนอนเนนะี่ยให้มันสมดุลก็คือว่าสมดุลด้วยการมีสติในทุกอิริยาบถนะเราจะทําอะไรก็เหมือนกันให้มันมี มีสติในทุกอิริยาบถอันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่มันก็สามารถเราสามารถฝึกได้แล้วบางคนก็ต้องสังเกตดูวะบางทีบางคนภาวนาแบบในรูปแบบแล้วมันมักเครียดแสดงว่าเราก็ยังมีความอะไรเนาะมันคล้ายๆมันมันติดภาพนะมันรู้สึกว่าเออมันเหมือนมันเหมือนจะเอาจริงแล้วนะอย่างนี้เหมือนเราเรียนหนังสือนะ ตอนเรียนหนังสือก็รู้สึกเออสบายสบายแต่พอจะสอบแล้วมันรู้สึกมันมันมันเอาจริงอาจังเกินไปใช่ไหมเนะี่ยตอนพูดกับเพื่อนธรรมดาพูดได้พูดเก่งแต่พอไปพรีเซนต์แล้วมันรู้สึกมันมันอะไรมันเกรงเกงกลัวๆนะี่ยเราก็ดูตัว น, นี้ไปบางทีก็สังเกตดูว่าตอนที่เราภาวนานในรูปแบบมันมีความตั้งใจมากเกินไปไหมเนะี่ยหรือว่าตอนที่เราอยู่นอกรูปแบบ มันก็จะง่ายในการที่จะลงเนี่ยราก็ต้องรู้ทันเร็วๆว่าเออมันมีโอกาสที่จะลงไปได้ได้บ่อยเราก็ต้องอืมรู้ทันอารมณ์ให้มันเร็วมันก็จะทําให้มันก็จะไม่เหวียงมากเนะ น, นาะบางทีภาวนาบางคนก็พอเข้ารูปแบบมักจะเข้าไปทางเครียดแต่พอออกนอกรูปแบบก็ออกไปทางฟุ้งหรือว่าลงไปเยอะนีะ่เราก็ลองปรับสมดุลดู ถ้าเราเราฝึกได้ไบ่อยๆมันก็มันก็จะเห็นว่าการพัฒนานในรูปแบบก็ดีนอกรูปแบบมันก็ดีมันก็ไม่ค่อยต่างกันท่าหรอมันก็สามารถรู้ตัวได้ได้ชัดเหมือนกันแต่ก็แน่นอนบางทีในรูปแบบก็อาจจะเห็นกายได้ชัดหรือว่าเห็นความตอนเนื่องได้บ่อยขึ้นแต่ถ้านอกรูปแบบบางทีอาจจะเห็นเห็นกายอาจจะไม่ชัดแต่เราก็สามารถรู้ตัวแบบดรวมไปก็ได้แล้วก็ ถ้ามันมีอารมณ์กระทบเกิดขึ้นหรือว่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจมันก็จะเห็นชัดได้เหมือนกันถ้าเราวางใจกลางกลางมันก็จะออสติมือจะคล้องตัวในทางนั้นก็สามารถทำคู่กันไปได้นะในในชีวิตใ น, ในการปฏิบัติธรรมของเราถ้าเราทำแบบนี้ได้มันก็การภาวนาก็จะไม่ต้องแยกส่วนมากนะนะเราก็ทำตามเหตุตามปัจจัยที่มันเกื้อกูลกัน ในรูปแบบเราจะสรรเวลามาแล้วก็ทําให้มันเต็มที่อง น, นีตอนเรากลับไปที่บ้านตอนทํางานหรือตอนไปเจอตรงกระทบแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรอวร์นในทางเดนิโดนโยกรมแล้วก็อาศัยเออตั้งใจภาวนาบนท้องถนนนี่แหละตั้งใจภาวนากับการเจอผู้คนนี่แหละมันก็เป็นชีวิตจริงของเราเนาะแล้วก็ลองดูมาว่าก็อย่างไ น, นก็บทเรียนอย่างเช่นการทานอาหารแล้วก็ เราอาจจะทานสองมือ้อหรือว่าสามมื้อนะมันก็จะเป็นบททดสอบหรือว่าอาอาจจะเป็นทําให้เราได้ดูว่าเรามีพัฒนาการในการทานไหมแล้วก็เราขาดสติบ่อยไหมในการทานอาหารออกมาว่าถ้าเราสามารถมีสติกับการทานอาหารได้วันหนึ่งเราก็สามารถมีสติได้เยอะนะอืมแล้วถ้าเราพิจารณาดูตัวเองด้วยว่าเออการทานอาหารประเภทไหน หรือปริมาณขนาดไหนมันมันเกื้อกูลในการภาวนาแล้วก็จะได้จัดสรรให้มันสมดุลได้มันก็มันก็ดีนะมันก็มันก็เอื้อเรือมันก็เกื้อกูลดีหรอะก็ดองลองสังเกตดูตัวเองนะหรือแม้แต่การพักผ่อนก็เหมือนกันเราสังเกตพักผ่อนมากน้อยขนาดไหนมันพอดีกับตัวเองน่ะมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องรู้ตัวเองเหมือนกัน หรือแม้แต่ที่จริงถ้าเป็นคาราวาสหรือว่ า, าวเราเกี่ยวข้องกับคนไอตัวที่มันทําให้ขาดสติได้เยอะที่สุดก็คืออะไรตัวตัวการคุกคีการพูดคุยเนะี่ยมันบางทีตอนดาภาวนาตอนนื่นดีมก็มีสติไปได้เยอะแต่พอไปพูดคุยกันมากๆมันก็ทําให้จิตใจฟุ้งซ่านได้เยอะคือบาง ท, ทีเราก็รับอารมณ์ จากคําพูดของเพื่อนหรือว่าอะไต่างเข้ามาเยอะพอกลับมาปฏิบัติอีกทีมันก็กลัวจะหายฟุ้งซ่านนะมันก็มันก็ใช้เวลาหรือตอนที่เราเผลอไปฟุ้งซ่านเองจากคําพูดของตัวเองนี่ก็นะหรือไปคิดต่อมันก็ทําให้สติมันก็ขาดความต่อเนื่องไปอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องต้องระวังเพราะว่าอืมการภาวนามันก็ เราก็ต้องเตือนตัวเองในเรื่องพวกนี้นะใหม่ๆ ม, มันก็ตํารวมระวงังการสนทนาให้น้อยที่สุดหรือว่าเกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นนี่ก็จะช่วยเราได้เยอะเพราะว่าจะช่วยให้จิตเราไม่ฟุ้งซ่านมากแต่ถ้าเราทำตรงนี้แล้วมันยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ให้รู้เลยาเออมันเป็นสิ่งที่มันมีตะครกในใจของเราเองนี่แหละมันก็ไม่เกี่ยวนะบางคนแม่ไม่ได้สนทนากับใครนะ มันก็ยังมีความฟุ้งซ่านในใจเยอะๆมากมายก็มีนะบางคนเขาเกี่ยวข้องกับการงานหรือเขาคุยกับคนมากก็จริงแต่เขาก็วางได้เร็วก็มีมนะก็มันคงไม่ใช่ว่าแบบไหนดีที่สุดนะแต่เราก็ต้องดูว่าถ้าเรารู้ทันมีสติรู้ทันมันก็จะความเรียกว่าการรู้ประมาณในการบริโภคนะมันก็มันก็จะมีประมาณเองหรือว่าการํารวมนะ ในการใช้วาจาเนาะมันก็มันก็จะสํารวมของมันเองอันนี้แหละคือความเป็นปกติของกายวาจามันก็จะมันก็จะมีมากขึ้นเองตามตามที่เรียกว่ามันมีการสํารวมภายในใจของเราเนี่ยแหละมันก็มันก็จะเกิดพัฒนาการของมันอยแล้วก็ก็ฝากไว้ทางการในเกี่ยวข้องกับในชีวิตจริงแล้วก็ในการภาวนาเนื้อ ในที่ส่วนตัวของเรามันก็สัมพันธ์กันพยายามทำให้มันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมันก็จะการภาวนาก็จะมีความต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะความต่อเนื่องนี่สำคัญมากนะสะาธุกัน